แต่ก็มิใช่เกินกำลังอ่านให้ทั่วตาตื่นและขนลุกสู้เพราะขณะคลิกเลือกไปสุ่มๆนั้นได้คำตอบจากพิกุสูตรราวกับปาฏิหารคล้ายเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่งพระเนธเทศโปรดชั้นโดยตรงทีเดียวในพิกุสูตรกล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านตั้งใจจะเปลิกวิเวกจึงเข้าไปกราบขอรับแนวปฏิบัต